เจอยขี่รถมอตายไว้มามอตอไซค์ก็มอเอนมอเอนมาจังทานธต่มาดามอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มอแนละว่านไปหาเรียกหน่อยเขามาแต่สิงคโปร์คาลิปนะเขาข่าวว่าก่าวข้ยกันกินเหล่ามอแอนก็ับฟ้อนเส่เทปเบรเซอาว้ยลำจนถูกจะไม่ดีหลายเว่าเมีนพ่อเ่าเจ้ายาสูหูฟาดปานันคอยกัไปคือการล่ำจนนี้มาสิ่งทีเาเที่ยวสองตัวเขาเปิดเที่ยวสองกมนตัวเรา รำดีดียังวะข่อยสามารถจฟังแต่าจังหวัปิดจะซื้อมารอยู่ได้เดียวีัหวัไปด้ฟังแปลกกซื้อมาลกซื้อมาอยู่บอกมาด้เทกมีหัได้เทปเขังกับเปิดแต่เขาฟังจัหน่อยเนาะเปิดรดข่อยสมารถัมอยู่จัวเมันงเ่อบาตาฟังทำววแกมใหม่ใม่แกมเจ้าใหม่ใม่มาหลเดินหมอใหญ่หาซิบกิโลอยู่ในเหนือในตัวบัดเอาขึ้นตาสังแต่แนวแท่งแนวทางก็นักได้แปดัม ตั้งแต่สองใครห้ำกันนักใดหาขีดขร่วมกำกัดมีดแนวทางแนวแท่งขัถึงสิ่งแข้งขได้จี้โลกลัวซ้ำหนีพ่ออยู่ตัวขั้นสีอื่นสีขันก็เป็นสันอาจารย์หมอลำหมอใหญ่จ้างในยิ่งมาใสเป็นกูเป็นทีมหาผู้หิมหนาหนาแต่วังขานมันมูนสีพอรุ่นอยู่ตัวพอลุน้ยนเด Oh, el a no. S <S <an> จังว่าทุกดนหลายหยาดมือพนว่าเป็นหดมอลำสาเน่ยผักอีสานลำเตดุนแต่น่านจุดหัวสีหอกจะเอาไปเสดดอกเงินท่องคล้องขาวถ่ายจากหูเรื่องลาฟังเด้ อ, อพอยไนฟังมังผมสีไลให้เบิดสุวรรณเงื่นของผมไม่อยู่ต่างหลายพันต่าง88โกดนี ม, ม่แมนเบาโพดเบาแต่พอดีสีจ่างจารุนี่มาสมมาจูบอยากแต่ก๊กคุ้งหลูผุนละลุ่งผมฟังไล่ใจของผมปีนี่คุณนพอแต่จ่างคนมากคอตึกห่างให้โต กอาเม่นคองหลวงก่หลานแปดมื่นใจไปทางอื่นกับมากไมยหลายพันจางได้หน่อยจีกันเหมือว่านีสิบคูให้เงินเขาคนภูและสิบเลี้ยนทอง มึงก็สู้ก็องปาดกันยังไงจ้าปาาแข่ปาไทยแวพักแวค่อนใจมันมันมีว่นป่าบุญบาดเหมือวานนีเบิตไปาหงยเอ็บาทจากนึหน่อยคิดหลังนี่จมันมั่นจังคิดต่อคิดตุ้มยังเกิดเป็นยุ่มๆปานแห่งกินหมาเป็นเล็กหน่อยได้ตอนนี้จะได้รางว่นาคิดตุมก่จีหูขีตาถอนเขาถอนหนวดบได้เจ็บได้ปวดน้ำแขงน้ำค้าเอื่อหน่อยเขามาให้งขั้นให้บีแเงินเขาภูโลหีบกับเหรียญทองคำเบืองได้หน่อยเขาต่ากันตายมืมืนเมนผู้ได้สีรื่ ทางเรื่องมีเป็นโรงเรือล่งสีกับจนนับบมกูธนาข่านแต่งอยู่ในประเทศไทยสิเป็นของผู้ดามีแต่ของกระบาดล่งกระดาษอยู่จังหวัดการก็เป็นของผู้ล้านเกี่ยงเบิ้ลอ้อยๆไผสีกาม่าต่อยเสงบักเจ้าสัวโบกจนกาล่าหัวเสื่อนกาม่าแขงขีเปิมพมไปแตงเอามือให้มาส้มผู้อยู่เมืองพอนมนี่แตงเบิ้ลแสนแปดเมียผู้นั้นบ้าเห็ตาหอดแดดเอาเสืองไหวในไห อีกผู้สองกะใคอยู่จังหวัดตากเมียผู้นี่กะหากแตงเหมอดิแสนพออยู่เมืองพอเีแทนเมีอยู่เมืองกือบืกนี่แหละคือแตงงของอีกสมคนอยู่จังหวัดหลย่องเสียงแสนเสี้ยงไมมีตหีบแบบใหญ่ทอองงมมือแตงมัดผู้ละกือเพชรอีกเจ็ดหาเป็นผู้เดกกะสาบสือเสียงเลี้ยงน้าวาบเสือกะท้ำไผ่เบิงกะได๋ปีนี่เขาต่งห้เป็นรัฐมนตร์โท แต่ว่าเจของโตนี่มากล่ำมกผ่อนเลยขอโจ้ไหวก่อนปีหนาใจสิเป็นว่าเอาบอนตาเห็นปีนี่พอใหญ่ตักแต่เห็นโลกลับเบิดหลานเจ็ดแสนจากมอแค้นสี่ม้าสศรบาทแล้วก็นนำขนาดม้าห่องยิงๆกันผมหอกว่าจิ้งเห็นท้ามเราตำรวจแม่บนกว่าแก บ่เป็นผมบาโผเรื่องห้างเรื่องมีจางตาบอดมาตีกันมือว่านมือกรสัดกันไปค้นบอนเตะไปคนทางเบิงเิผ่ากันสางเทิ้งสองเทิ้งเข่าเดียินแต่เสียเศร้าบดถึงบรดุเบิ้งเบิงเต็นเขาลุยต่างคนต่างบอดล่างเต็นเข่ากอดจีเขาวงในจ้คูสกุลสายสาวผีสาวผุนจะดินไงคุณคาบอดจีกันผมก็เห็วันคนละแสนจ่างหัวล้านตากแดดบ่ให้ลูบหบายแต่ตเป็นสายหอดตาเป็นอ่อนอยู่อยู่กับบอลหัวเหลือบมงมง โบ้ยไงโบ้ยนบ้ยโบ้ยโบ้ยโห้ยโบ้ยโบ้ยโบ้ยโบ้ยโบ้ยโบ้ยโบ้ยโบ้ยโบ้ตโบแยโบ้ยโบ้ยโบ้เโบ้ยโบ้ยโบ้คโบ้ยโบ้ยโบ้ยโบ้ยโบ้ยโบ้ยโบ้ยโบ้ยโบ้ยโบ้นโบ้ยโบ้ยโบ้ยโบหยโบ้ยโบ้ยอบ้ันอ้ยโบ้ยโบ้ยโบ้ยโบ้ยโบ้ยโบ้ยโบ้ยโบ้ยโบ้ยโบ้ยโบ้ยโน้ย่บรยโบ้ยโบ้ยโบ้ยโบ้ยโบ้ยโบ้เอบ้ยโบ้ยโบ้ยโบ้า รวยก็รวยจนว่าบ่อมีไฟคือจ่างคุ้นคู่ให้มาสอนหนังสือเด็กหน่อยมอยืบ่บานแต่งเงินเดือนกับก่อหานกินอยู่นำเฮ้าคู่ผู้ใช้กับว่าอาต้องเป็นคู่เมยอาอยู่บ่อให้เกยสาบลงมาเพื่อเป็นอาหารตาของคนผู้จา่างวางเดือนก่อนนี่กับสางเฮิอนซสมฤดูตั้งแต่แอมเตีปูกระเ บ, บิดไปสมโกดตั้งก่วงไรสามโยนตั้งแต่ค้างกับตงเบิร์ใหม่ไปสามดวงจ่างคนมาเลยไม่ใชย ว่านับจุดเมื่อแม้ผวโคตงานเหลี่ยงปูปลาอาหารยามเขาผักเทียงให้มีเบิดลเครืองหลาบก้อยส้อยบีเบิดเขาซ้ำล่องสีงัวอีกสาขอกยาสู่ผู้ละกอกเบิ้หาพันซ่องมีแต่ยาคุงท้องสีดังแขกแขกแต่เงินใจแท้แขกมาเห็ดบานเห็ดเฮือนเบิดเงินไปซ้ำเขียนจงคอยแหลวคอยทัว ผูหลังคนหวัดปรผมคนซัวใส่เงินใส่ข่้มมอมีเก็บมีกำใส่ถิมใส่ทุมตาบ่เห็นกิดเอาซุ่มบ่าใดบ่อเอากับผัวเงินของเฮานี่ลราเป็นโทษตั้งแปดซีบกโกดบัตรนับมุ่นมั่งม้วโลสีลงหนังสั่งมาเป็นไก่ม้วนทีหน้าที่ให้หมดทนหลับเพิ่มกันแต่ให้ปอให้มันกับแปกัวหลานหน้าตีนบาดหนึ่งเขาซอยทำกินแต่อำเภอว่าลิ้นหอดสู้ไงโกโลข้างหน้าหน้าหหน้าโขมาท่า ผีได้เขาบ่อง่ามฝนฝ่าบ่ทรงหน้าหนึ่งโทนนันได้เขาแสนเกียนกินยุป80ิเพื่อนกับมมปีม่มสาสตร์นี่บ่เมนกับบาดเว่อหม้อโปลมผู้นับเงินในีผมเทิงเบียเทิงดอกจนมือเปื่อยมือหลอกเป็นไข่เป็นน้ำแต่ใบสิบใบเศ้ากับเจ็ดรอยขั้วหาผู้ล้งคนจนหลับล่าป่วยลาเป็นแนวซมือซเว้นนับเงินจนวิง ม้วนสอยแวนแสนซิงเพชรนิ่จินดาซสือให้พระระยะเมียหน่อยเมียใหญ่เมียผู้ลวงหน่อใส่อยเพชรเจ็ดสีเมียผู้หน่อยแขนอัญมานีกี่ท่อดงมอนบัตรไทนามเดดร้อนเดืองเงินเหลือข้ามค็เอาไปจับน้ำใดหาซิโกดนีมเแมนว่าวโพดเตะบัท่านมีขอบัวดเดี๋ยวเดืเงินส่วนตัว8ปดลอยก็หบเหลือจะค่าข้องสี่บ่ได้ตอในซุนพี่กายนี้ห้สร้องวันเกิดให้ได้หน่อยไปเปิดมันใส่ใจในงาน สื่ผู้ปรหารเลี้ยงพวกท้แขกแต่มือลงมือแหลกกะเบิ้เก่าล้านเงินมวนเขาเสือองกับคนม้าซอยกะได้ไลบคอยเจสิกระบุงแต่เง ouais. ินป <SU> ่าเงินลูยาตีพ่นองกะเต็มหิ่นสหมองมิตรแต่ใบแดงตั้งแต่เลี้ยงเขาแลงแขกไปทอยู่ับทั้งพวกทมูถี่มาในงานเบิเขาเจ้าก่ล้าน8ป6จน้าิานเขาเนื้ออีกมื่นหวดเราบาแสนขวดเียหาแสนโหลงวเบิสาอยตัวบทั้รวมเป็ดกา เ็บก้าก็เดือดบ่นนํากันคอยพูดว่าจะเดีไปเล้วคอย เมื่อเราโท่าเราปลาบทนาปร่วมกันส่วนแนวงั้นมีลําเพื่นลำหมูหมอลําครูกะหาลอยเวทีวงดนตรีหาลอยคณะเล่นกันให้แซวซะหลูกถุงสะกดผ่าพยนต์แบบจอผ้าโลกมีหนังบูนนางโศกรวมหาลอยจอเธอหนีนันโมพ่อสมงานกะบาดไปจากเพ่งโคลาดอีเขียลำอุ้งเล่นแต่หกโม่งจุดหอดมืออื่นพนเป็นแสนเป็ดหมื่นมาเบิงแนวงั้นจ่างหัวหล่านส้นกันเทิ้งแลนกะสอบเพ่งเงินผู้ละห้อเป็นขาวล่างวัน หัวเมืองนอกเมืองนอกส่วนหัวหลานส้นกันนันไฮคนละคู่ยังกระดังปูปุหัวไข่หัวโน่พอเงยโศคนหัวหลานเงยส้นเทเดมีเตยังข่างเขาหาส่วนก็พอเงยสาหัวหลานกู้งอนพอเงยโศว่าแต่ล่าหัวอ่อนเขาส่นเบิดแหงยังกระจุนหัวแดงปานลิกสติกนางสันหัวหยูปานลงกระซ่ม ฟั่งสังคมคุ้มคุ้มหหัวไวใคั่วเอาหมวกมาใส่ย่างมอแล้วหลังภัยอิ่นนั่มกับว่าฟังไปป่านมาขาดจะม่เงินกระบาดสั่งกำผ้าเวียนจให้คนเท่าเปลี่ยนไปได้หลายอย่างเป็นไปจ้าทัพคนนี้เถอะเกิดขึ้นมากับว่าสร้างคือบ้านคือเมืองใส่เงินเปลืองกลัวผัวกลัวมูจังมันเกิดมาอยู่กองเงินกองทองแล้วจากงานสลองวันพุธวันเกิดเอาบัญชีมาเปิดไล่รับรา่เสียปานนั่นกันยังเหลือแปดสิบกับสอบ โตกับผมเลยเหมหามะไปพันรายญานิเป็นคนรักษาคนใส่คนใจพอเกิดข่วมเมื่อนายเรื่องทรั์เรื่องศิลปีสิมาวะศิซื่อเครื่องบินเห็นเมียหน่อยเมียไงขี่ไปน<อ>าไปให้คือสีส้าใบคำเป็นมีผู้ขายสื่อเหล่าไรเทื่อวาบเสื้อให้มาถามผมตีผมต่างว่าต้องมีกลัวผวกลัวมูแหม่เอาไว้เรื่องการเป็นยูการพักการเศ้าบริเน นอนตื่นถึงก็เอาผมออกจากบอนให้ไปนั่งผักผ่อนอยู่วางโซฟาผู้หลางหน้าหลังตาผมก็มีพิเศษผู้ถือยาขอนเจ็ดกับแบ่งสีฟันก็มีคือกันคนละนาทีเงื่อนเหลือสองแสนสีกินอยู่น้ำผมบ่ต้งแอลกอกอลมทั้งน่มกระตั้งมาดูเกผมสั่งบอแตกคัดใจ บัญิไปอาบน้ำอาบทามีคนแบกเสบ่าเบาไหลย่างในเดินเนี่ยเขาอยากเด้งเงินปฏิบัติพัดถาแต่งเตกลตดากระย่งมีผู้ถูจับสบู่รวยพุ่นรวยพี่พมกับจักกระจีหัวเงะหัวเงันรถถือขาถูแขนถูอขี่ตะแล่พรุ่งกัมีแต่งเตะขีดจักกระเดียมอาบน้ำแล้วก็เตรียมเสือผ้าม้าใส่หน่อยกะห้ามไว้ไวไปตุอาหารพนักงานผากันจับซ้อนนกับผ้ากันปอนอาหารหวานข้าวมิตกเตะผู้สาวกับล่าเงาะอ่จ่างมะไวเฉพาะหมอลำเดียา กินิ่มแล้วกับมีผู้จุดยาถือไหวงให้สซูแห่งเตพ้งนั่งหูบาได้ขีบได้ถือพลคนออกอื้อจนเกี่ยวหอดงอนตอจากหันกับผ้าไปประพรอยู่เตียงซาปิงเปลือกเอาแต่แม้ยิ่งมากขันมาบีบน้อยบ่อนานกับหยิบรับไปปุ๋ยปุ๋ยตื่นขึ้นมาแล้วก็ถุยหัวเห็ดแล้วก็ออกไปน้ำหอมน้ำโศกจนมินจนกำเด็กยินแต่เสียงห้ำตีศอกตีเข่าลายลายครับก็ย้ำทุ่มปากยุบก็ย้ำไสปากยันย้ำสอนปากน้อยๆให้ฝรั่งนี่โกยำ บจดสี่กาซอยได้ยินเสียงมาเาโบกเวกเวผมก็ลุกงเง้ห่วยฟันตัวนี้ม้ามันเฮาเจ้าหนี้เั้งไรกัดกันมาได้แถมเป็นฟันตัวนี้พอชผมากหรือเอมียั้งพ่อแปเจ้านเมาแวกเต็มหื่นเอาลดเงื่อน8ดชิก็กดอยู่ใน่ยฟันบริเ็นหอดตัวมันบัตนาโน่ดูเอสเื้อเชี่ยวกระขาดขาดดำดเนียกา้ามั่มนั่งจกปลาแดกลูกก็ให้แก่แกกแอวแม่นคัวเงนส่วนเหนือส่วนตัวเป็นสีจับขาสัน กะบโอโยิ่นเสียงหลันมีป่านห้อยตายฟันมามีเงินไหลเป็นหลานเป็นโกรดตื่นคือมาและกระโจดทมฟัน ล, ละเมีละวิสากะเบือเกือบถึงสันงอนตั้งมั่วแก๊งหัว เป็นจช่งไหนเจ้าว่าดีเลยดีเลยฟังแข่งก็แข่งเนี่นอยก็เน่นอก็บื้อก็ดีกันแล้วจังว่า่อยนั่งฟังหม่ันหมูันใจอยู่ฟังเบืองาคกนฝันมีได้บมีนำจังว่าเราฟองไปฟังมาเราว่าฝันว่าสังขลเบ้อลอเงินพุงเ้าบุ่มหลดเยบอกว่าเที่งนอนเขากินเราบ้ากันล้วเขาฟอนอ้อมกันหรือหรอือย่างว่าเท่านี้ซือที่เหล่ซื่อตัวขาอยก็ว่านเป็นร่ำจนมีที่ได้แ่เป็นฝันเหมียวบ้าสินหลังแพูดจุดส่มานนํ่มซือจะไหเท่านี้ สองเทานี่บเิเวณยังเทาก่ก็เอจอยกินตายแตงแต่เหล่าเจ้าเบิงผู้ใดขี่รถปิกาพาน่ะในั่นมัากรถบ้าน้ยางาโอ้ยโอ้ยอ้ยฝากเสีให้กับงจก็ได้นะเนซาวยนแ่โอ้ยแม่ไม่รตัวอ้ยโอ้ย้ยไลูกละวัี้วัน้โอ้มเฮ็ดยังกัน้อคุณพอจ่อยพอก่อุว่าใส่ผงแถนธรรมดาเทามากก็กินเหลากินยากันเล็กน้อยปรึกษากันก็ฟังเทพเจ้าเซาอย่าดี้ได้เทพชุดไดล่ะ สุดลำจนห่างจนมีจนเป็นเศรษฐีแนว่เนี่นี่ควักเสื้อ่าได้แถละแมนฝันมันถูกอยาบปากมองไรอย่างเงี้ยเอาบ่ลำมาลุวยิ่งเธอกระเลยฝันเแต่ว่าคว่ำฝันหนีมาเป็นตาหน้าเสือนอนนั้เมียแต่แถฝัน่าได้สีม้าเนี่ยนั่นก็มีมันก็มนนั่นแหละมันคืออยู่ได้หมองีอันเ้าพืชอันกินเหลากินยาดิโอ้ยเกิดมาเท่าทั้งปันนี่ละ อันเรานี่มันมันดีกัมันดีใจเรายา<ต>ปลาปิงา่งนี่ยพอมันสูน้าดอกอกินแน่นิดหน่อยๆกินแต่มื่แดดออกก็หมื่มอบ่มีแดดคันเมาหรือเพี้ยได้ลลล้เมี่ยข่เนี่ยโบหกดอกข่วิ่งกับบวิ่งจะมาซื้อช่ยในเมืองฝ่ามิเตแดดกับฝนช่ยในเมืองคนมิเตกินกับเบ่นมันชมาเอยังหูข้อสั้นนี่ปาดโลดตายไปเลยบอกเลมือเนตานี่โอ้ บ้านน pues, ี้หมูจบอว่าเหล่ายาปลาปิงเหลาเหล่านี่กินร้ายก็ให้โทษกินน่อยก็ให้คุ้นคือพอยุรูปมันทาบังหินนี่มันมีคุ้นมีโทษอยู่บอกกินคุ้นมีโทษผู้ไปเอามากครับทาหินมาเจ้าบ่จังไรไฟใหม่พะลงไปพ่อนเนี่มเมนพระหลวกินเหล่ากับิ่งเยียนนามื่นตาล่แล้วด้เป็นเพืฮอผู้แต่งมันเหล่าที่แหลกมนันก็คือม้า มี่ประวัติจตัวฟังเด้อสีว่า้ฟังครูไปเอาสุรามาเออการเห็นตนเห็นตัวและเจ้าขี่กับพอขอเถอะลูกไปขอทีเถอะท่านเห็นแล้วก็ะวั้มว่าให้ฟังนะทุกท่าังมาฟังอีกตอนน่าพอเสดท่าเว่าหลวงคุณสุรามีอยู่หกขอจำไว้เด้อหน้าพอพรมสรีอธิบายสำหรับพวกผู้ชายมากกินมากอยากบอกว่าแต่ก็่าครูไปพอสุรา มีนายผ่านไปหาเสือเหนือในป่าเวลานั่นเตรียมทาสืดเหนือในเขานกแขวเต่อมันเอาบักขี้บักพายขาบไปว่างไหวใส่ในกูนหนามขัง ผ่านว่า น, า, นาอียังชิมหรถแปลกยิบเข้าไป <อะ S 2> ที่แหลกรสศาสตร์ค้มหวานจำผงลิงไหลมั่นกะขาบมาแต่พึชเฮียรงโวดแหน่นอึดนูนอกพ ก, กินอยู่ต้องพูดสางหินแน่เดียวน้าข่างผ่านเลยถือตัวยางบะกินแล้วมีแห้งตักเอานา้ำแถลงในโขนหินดงังใส่บางทิ้งแล้วก็ยางไปเรื่อยสันจรเหาไปป่าโนมก่อนลื่ีมีเดชเพื่อจะคู้สาเหตุว่าน้ำนี่แน่าไรไปใสล่ลาบโอ้ยแม่ชีหมอใผ่านในผ่านมาโอ้ยไข่แม่หนู วความท่อทเอาถวายองค์ถ้ำน้ำเนืหน่อยใดมาแต่กขนใหม่ในหินผลดื้สีเด่ยินเล่งยา่านเลยผูดอ่าวนามในเป็นนามบูดของนาวของดองกินแล้วคนหัวพองมืนเมานี้เก่าสักกุณณาถูกเราขาดเงือมาว่างแต่ที่แหลกลดจากนามฝนขางไม่อาตมากระได้ที่เมืองร้ที่สผสมผู้บาปรากฏวาสตีเขื่อนคายไรยางผ่านเป็สางเหตยามีแหงผลืสีลอเมื่อแล้วหัวมันเมา พอเป็นนามแถล ง, องของข้าลาวาดเป็นนามซุกขนาดซุกเน่าสุกดองนามอณีนนเป็นของเมาหลงลืมเพลิละมานี่เกิดเหตุขอเวน่นข้อกายจําพวกพ่านทั้งหลายกินเม่าดาดดินสอบนิยมส้มซึนเอื่อนนามซูร่าไพ่ไปเสิร์ฟเนื้อมากเอาไายจุดลัางโกงกินนกไป่มันลงว่อนวีหัวใจต๊ะมะหอดสมัยสันดอนภาเวดถือพอเนลเทศไปยูคีรีผ่านมะนามีดี้คงแก้หายมวนเลยเอาเสือสมส่วนปนเขาน่าให้ออนามเป็นแต่ซ้ายดองกันลดเกล บัดเวลาสีเฮ่พะเวดเขาเมื่องกินสันนั้นเสรเนื่องกันเบิรตทุเพศเลยได้ปา่าลกเพ็ดวาน้ำซูลรากินแต่พุนละมามีขุนหกย่างไม่ขุนหกย่างกินเหล่าไอ้กินเหล่ารืบากเพ่พะเวดก็บ้าเพราะว่าคอที่หนึ่ง <จน S 2> ยุททางบ่อัพบอ่พบอายคอที่สองร่างกายแข็งแรงสันโดดคอที่สาเพิ่มโกดม่านาถึงตายบายานน่ญาตันตะไลกะปิดกะปีคอที่สี่สวยหย่อยอาหาร ขอที่หาตานท่านโลกไั่ไข่ป้าขอที่หกกันทาปีศาสตรผีสางบอกบ่ถือคนทางโลเลเวลวงตัดปัญหาความห่วงใด่สัวอึดใจหมอบระ่อจากักไผกูบึงเอาเถ อ, อเนะมีแต่ยางเผๆอแหยาบสาล่าสินเป็นหลักของบนทิน่นทั้งถ้ำจังหามตามหัวเจาะเบาอท่านกัญญาอุบาสทศีกาเข้าเปย่ยมคอย่มกันแหลวายาท่าน เพือ่อเราสาเขียบานฐานทินปุกใจพันซีมีพ่ายหยังกอยูกินสินส่างนอนทั้งกุกตีหามบางังเพ่นแก้วซองห่อเป็นยมม่วมหมองขั้นเทากินบอดายกายเปีย อ, อ, อ่อนเพียหาซูเมียลูกเตา่าเข่าซ้ำแรงง่ายพ่อหาพ่ายแข้งแรงเหือแห้งขืนกล้ามกินเบิ้ยามละบานี่เกเว่นซีวหลีกแ น, น่ขั้นบกินแทะเบหันเขาปลาดอนย่านบอกินเหล่า แต่ว่าย่ามนั้นนั่นก็สําคัญสร้างศาสตร์ได้บันี้กค่าระบาดเจ้าคอยค่อยสางสูนแนวกลางเป็นเห็ดแบแหลวทางป่าบุกบืนกางขึ้นมากับบุกบันอิทธล้มขํากุนคุดเตโพนต่อแต่บ่เห็นย่ามแหลวทั่วจนมาหัวข้อด่านท่านขืนชีกันนี่แหละเราจะว่ามันสมคัญเท่าไหร่เนี่ยมันบอกเรื่องโทษของสุร่าเออบอกเรื่องคุณของสุล่าแต่ว่าโทษของมันก็มีหกอย่างคือกันนี่ยู่สมมติเท่าไหร่ สุ่นเหล่ากินเมาละมวลขันกินไรแหงอ้วนกินหน่อยก็บจอยลงโทษของมันกับมีหกอย่างคุนของมันก็บมีหกอย่างป้าสีเหล่านี้ข้า แต่ว่าคนที่เหล่าเสียสติโดยมากภ่ากฎไม้จังหามตามเหลืองรัฐบาลผ้าศิดนันหรือเก็บคาถือผิดไพผู้ผู้มีผิดแขงหลวงเขาคน คนเห็คนพระกันจำเดิอฐทานหกประการโทษทานหนึ่งพิรัฐบาลผู้ไดปู่แตงขืนเขาคนกลนเห็นคอที่สองสาศาสนายกเวนเปลือนแปดน่วงจนแมนจนแมน อ, มองค์สัมมาสัมพุทธิสุดส้มไปนาทั้งสุาลาเลยหามการทานบอกวงจำพวกพีสุงสงรับประทานมอดาเข่นไห้กับอเอาเอาไปทานในป่าคนเบาเลยมาสัมสูรนี้ให้เราได้เอ<ว>าแล คอที่สานั่นพูดเฒ่ากินนุม่มเป็นนุ่มกินสุราเสียว้าจากขงหวานเกิดผ่านตีขาคอสีผาโตกลุ่มลื้มตัวเบิรสัวไพ่เอาตัวก็ได้คนนั่นก็เทียงทำคอที่หาสอบซ้าําค้วม่กาลาหมกคอที่หกอันตะไลแตกสามื่อขี้เหล่าจังหวัดสุราเหล่าแปลตามทรัพย์ซื้อให้คนพื้อยุดหมัน่นจำไหวใส่ใจสุนั้นได้แปลว่าสูญหายคนทั้งหลายควรล่าเลิกหลงลื้มเล่นคนนอเวนลาบานี่เกี่ยวซองเปว๋วค้องเหลื่อมไผเวนกระเจีมใส เพนเตียไวมานี้หน่วยพี่ลึกผู้ได้ลึกลงข้อเกิดอันตรายบุ่นศูญเสียเสาชิ้นทมค่ำสอบจอบตึงหึงหดหลายหมายมางศาสนานีและเดิแม่ป่าหนาบบาเอาลุงบ่อนเป็นขล้องคุณสูงดอกสุราชจำไหวในหกขอหกประการหกยางนักปาดว่างมาไหวเวียนเวียนแบกละว่างขั้นจปรย พ่อไก่จังบ่ได้ให้กินแน่พ่อบ้านเหมือนเลยไม่ล้วงอะไรเลยดิล่วงแล้วพ่อล้วงแล้วแต่อย่าไปหาผ่านโพดเมาด้วยเจ้ากินพ่อเขาล่องคอกขืนมอนยาให้นอนเกิดขี่เป็นบาดาคนทนหนัาบุญเมาไงดับพิษพอไปพิษพ่านแผกะยอมไข่พ่อใส่ตักลงไปยาให้มันติงเต้นติ้นเมืองกะดีนึงพิษตีสีเสดส่งในก้มบาสักเองเสดไซเนี่ย ตื่นขึ้นมาบันนี้เป็นอีหลงทรงสิงวงเวิงบื้องวามขนหัวลามหัวลูกมวเมามื่นเมากับเป็นเหล่ากินคนจนวิงเห็นตะเหยียดกินนิ่งม้วนเหนือเหยื่ออย่างซบปากข้างข้างสั้นทั่วๆเพราะมันจะเหนื่อย ขั้นเฮาดับควา่มคิดคืบค่มจมิงขั้นติงในมั่นผดไปาราวาดขาดสติอยู่นาใจกะเ ก, งก่งกวงเสียงปากโป้งผลมูคนเมามีแต่เอาออมันบ่หินตองท้องถวนเงินข้ามวนกับมีกันเป็นหมื่นบ่อึดขันยามเมาเราสำหรับมูบวกกินได้ ส, สาหรับเฮาจะแสงบมอเพวกเมาเร่ความเออ แม่ยิ่งกินปลาแห้งห่า่่แม่เล้วอ่อนเบิ้ลโตปลาบ้าโมสุกแดงแขงขาบบลืมเมียนจักมาดี บ, บ<ม>าด้บาเหียกินลงกัดตองวิ่งโต้เ ล, เล็กๆหน่อยหน่อยกับเม้าเกียงว่าเต็กินนอนยุดินก็ว่าเพื่อนแอมแป้นนอนปลากับผ้าหารเบียการงานทั้งป่วงลวงขึ้นเบิ้มือค่วมกัดตื้อลื่นหล่นจนมีมาแด่ห่วงหัวคิดก่กวงแม่เหล่าเมาซึมเหมือนแม่นซ่าเม่าเหล่าหัวห้าหาอยากแตงแตงของหวานแบบนี้โอ้นี่หน่อยมันหัววาฉัน กี่เก็บแล่นกับง้อดิมาซาย่านคนหนาวเดี่ยวด้มามาหาความพิดดังคนกินเหล่าติดซ้ำเมาล่องขอจากล้องกันเห็นงูเท่างเหลาเด็ดแล้วโทษจังเอาซาเขาสำในกำขี่เนี่ยงดมฮักบอยเหรอฮักปั่นเพราะเนีกักเอามาใส่เกือนนี่เราไม่เท่าใคยเมาบว่าดิไตเเมี่ยงใค่ค่อยลงที่ก็ปั่นก็ว่าแล้ก็หูกระลมทุนลูก้นมาก ผ่าใสหัวเปะหลุดโว้ยฟันนั้นมันก็หัวแดงไลยสามไม้น่าโนั่นแล้วเ่แม่นม่นเมื่อเราบอกมีอเจ้าเมื่อใจได้หเฮ็ดไหจ้ามาตะด่อยาวเอาที่ซื่อนี่แล้วโว้ยบ่าจังซื่นี่หละบาวโทษบหลคุ้นของเหล่าเออมียางละหกมีโทษกับมีหกคุ่นก็มีหกท่ากันแต่ว่ากาเฮ็ดจ๊ไหมาเรเป็นแล้วคนนเจ้า่อย คันกินเหล่าเบาเบาเสียแปงอี้ไม่ยากขับมาบายหิเห่นเสียเงินไม่ถ่าแดงมันโทษทอากันสะพ่อคนเมาค่อยหลังเนาสามยังหูก็สั้นฝ่าโหลดเนี่ยหนมันสีมวนสีซึนตายไปแล้วพอได้กินหลกของเขามันเป็นหลกสมมุิประสันประระหลอกมนุษย์มันมอแหน่ม่อนอนขับ่าไปกองฟ้อนอมเงินเหรียญบาทปัยมะนาศซูนสิอินรี่คนอื่นมาผีจังคราเล้วคอยทัว ร้านมากินนี่เออบี้ยเนี้ยเบี้ยสีถ้ำดีถ้ำซวนน่ะแล้วแต่ไพมั่นมาพันว่าให้กันจนมีดีหายข้างกันแตสีใหายแข่ารอนฟันหูกําปั่นบอมีหู้มันออกคําสั่งควบยังลุกยังนงั่งไปไงมาไหวเห็ดไปโหลดตามใจซ้ำมีซีวิทย์ซ้ำยังบอท่านมิดหมอดหมวยสีว่าให้เฝ้าเห็ดเฝ้ า, ฝาหาเรียงทองเลียงปากเนี่ยได้เจา้าชิดอยากอีมีพี่มัน่นควมยังหูข้อสั้นฝ่านโหลดด้วยมูอบอมีไพ่สียูคําฝ่าจักคน ว่ายังดนกะระหล่อยปีกกลัวเท่านั้นคนเน่าเจา้าไข่แ ม, ม่นซิดีหรือชัวร์กังวลก้มใ่า อันแรกก็กำลังค้อนยังสั้นหันใสียหลดเสหลดแล้วเน่แหมันสีมีเหงามีแหงนนูนเอาเลยเอเวผมกินมื้อิแซแล้วไปว่ายังดนกัลอยปีกวกลัวแมนสดีหรือสัวกับบ่มขมตายมันบ่แนดอกน่ายบอหนํามนูนเกิดขึ้นมาสมุิคือตัวเราค้อนผู้นั้นกรรมกรผู้หนีนายจางผู้นั้นเป็นนายหางผู้หนีนายหัวผู้นั้นเป็นเจ้าสัวผู้หนีตำรวจเพเหกะ่เคยเป็นว่าบเดียวเป็นผู้หมวดผู้หนีทหารนกาวสารบดเหลืองสมุิบัดยามแจ ขาดพุดท่าแป่งอมตางนอนงอูห่วไปทางตาเว้นเศร้าเมยเอาไว้ดนกับป่อยเทิ้งเหนาเทิ้งเหม็นเห็นประแดกกับว่าเป็นคือป่าซำดอกดีบรดี้เข้าสิ่เอินที่หลอกเต็มปากเต็มข้อมันสีแหนยังนอโลกหนีอีมูโอ้ยใจนี้ก็ให้่ใจขาดเทวอหันง่ายๆเวหลอกก้อนหอบหลกกอนหอมาอยู่มิตรเกิดกับตายสองอันนี้และน่ายแน่นอนขนาดบอมีพิษมีผาดแม็นคักปัยัง คิดบังซื้อบุญย่างบุญยืนบุญหลอดว่าสิอยู่ไปห่อนลลานปีแสนปีก็ยังตายเป็นผีนั่นเดนะฮะผู้คนหลายตายไปมัววานี้ก็มันไม่เป็นกื้อสาดอกครับ <c oughs> คนเห่าตั้งแต่พ่อยันเสาบานขัวไม่แกนชีเห็ดเหื่นกับยังแหลนไปสื่อเสาปูนซื <c oughs> ่อเสาแล้วยังเป็นสื่อเสาพ่อใหญ่ร <c oughs> <c oughs> <c oughs> ุ่นกับป้ามาสื่อกอนพอ่นอใหญ่อร์ขายถึงหรือแพงมิเตอร์เบาเสียงแข้งพ่อปานเล็กเหน็บไปกันคนละแบบกับสื่อของเรา ตั้งจะซื้อว่าขาวตั้งจะซื้อว่าขาวกนยังดำอืดลื่นบัดถ้าเอามือเปิดผื่นฉนแหน่เอาอยู่น้ำปองน้ำแปลวมีต่กอหยาแฝกถิ่นมอใส้กับบ่แตกดอนขุนดอนลงอีบ่ดีสีลงแป๋วเถ่องแปลวลุ่มโอ้ยแถวเอาไก่นเรื่องมาเชียวเห็นจุ่มจนไดดีไฟายมันบ่แนี่ดอกน่ายคนเ่าเจาข่อยซื้อ่าจอยกัยังอ้วนยังพี่เออคื่อตจอยนี่ะ ซื้วามีกันยังทุกย่างอยากซื้อท่องหมากทองค่ำท่องหลายว่าสีมีท่องขายหล่ำลวยบักใหญ่คือสีมีท่องใสเทิ้งสอยเทิ้งแวนอยู่น้าขาน้าแขนคือสีมีท่องหมากคือสีบ่ออึดอยากสมซื้อสมเสียงยังมาสื่อในเมืองห่านท่องเห่งเต็กผุล้อขายกันเป็นเจกมาแต่ให้หล่ำหมดเลยซื้อทองค่ำสําน้ญยาพอมั่นชี่เห่ยังนอซื้อเสียงเรื่องน้าเบิ้งหน้าตากระงามเป็นตะดงตาจูบเดือบเบื้งหูกระเขาวพองย่องใหญ่บัดเปิดเบิ้งทางแน่ก็ยังเหละกัตายเจาะกันตายมองแค่กันตา นําไก่ตายห้ยนสมากเกินไก่ตายเออเอ้าเจ้าลูกเจ้าแม่น่าเนื้อนางขนลาดนแ้วปันนึ่งที่นี่าดันจ้าไปทางใหม่นี้เป็นคนลาแบ่งูสอสอนป็นนนนิ่ะเจ้าขอว่าหมอลำหมแม่หมอมานาหากิงผงไก่น้อยบ่อใหญ่ตัมบ่อเลยสูงกับเพิ่งเอาที่ลูกผมมาหออแล้วบอนแดแปลหรือบอดแมกกะผากันมาแยอเอาให้พัก ไพบอมากเปิดนลำก่อนสิเพกันเมื่อนอนผมกอบอห้ามไพหิ้อน้าหิ้เหล่าห้ยากะพากันไปหากินโลดให้อิ่มไพอยากชีกันดอกไปซึ่งเช่นไห้มันเทงใจโหลดตัวมูไพอยากอยู่ฟังเหลืองฝั่งเขาไหนั่งฝั่งเอาเปนบทเป็นบาทไพสีฟ้ากันลงเวทีหาสิเทีนดอกที่เด็กมาจัดหน่อยเขาสีปล่อยออกมาแนวไดกะบอคือตกใจดอกทั้งภูเขาสมหัวใจอยากแครนคือมามาพุ่นละเมสอเอาบักตัมเยท่าแต่ทอยอนไหมันเด้งมัน อเต่าดูว่าขึ้นเท้าตัวยืนทมเป็นคนลับกับเอาจี้แล้วครับกุ้นสอบน้าเด็เดืองสิ้ใท่บนกกาละเกี๊ยเสียวเผะอวครับนั่งมาที่ทามาที่สดน้ำสมานหรือหากว่าสิฟาดในสินในถ้ำนี่ขันเอาปากล้ำสู่เบิร์ตพิทามอยาคือว่าหมอล่ำเดชสีตูหานีิปลาแม้ขั้นหมอแจงซ้าสีแขงทังวัดทั้งชิ้นคอยจะใคมันบินผีได้ขึ้นนกพสิจับัดทกโศกไตใส่ดูยเอาให้ผีมันพิ้วจนเย็นสวยๆหรือสีอวยแข็งวัดจังหวัด เดกเด็กมาหาลำตวงโลตวงตงโลงตัวไปโลตัวโลงตวงนี่พาโลกไปงทงเก็บหอยเก็บปูเก็บมาได้ทอนมาโกโก้งกับปูแต่โด่งหอยปูแต่น้าบัดสีซ้ําบอกท่าว่าเก็บฟังเสียงแค่นีแต่แลน่นต่อยกัน่อนล้ำขอบเคือก่อนล้ำมูมอที่คู่คิดโผลก่อนตายคือเกิดนยกยังเยินอย่ายัางยับยับ เดียแลหลับอวงเลยลำเล่นมันลดเป็นเบ็ดเกี่ยงซับเนืงแห่งทองผู้ดบอย่องโูข่บาเองเตงเจ้าจ้ผู้เล่งเตเล่เกงเตงเล้งเตไปเล่งเตเล่งเงแม่นี่เกงมันสีเกงทา้งใดเกงท้นบ่ลึกเกงท้งนอกเก่งแต่บอกแต่หมู่แต่ขุยกระจับคาถีคือนิตรีรีวรากเพียนี่ขาไมขาพ่อหนีทราบเป็นคนสุภาพถ้าไม่าอมหยาบากปอบปกพี่เน้อกระจัดยินดีสซ้ำเท่าเือ สีน้านวนมวลไว้เท่าสีสอยากหอนหม้อบูกัอยากสยคือกันเว้ยเฮ้ยเ้ยฟังฟังแนี้นี่ฟังฟังแนว้นาหรือจะฟังแนี้ยไ้อีกสาตัวล่อมาหนิ่หรอเอาแจ้งได้กันหรอรั่งก็เปิดก็อิ่มเป็นเนาะฟั่งก็ได้เห็นแล้วเท่าสีสนุสิ่หรอจะเนื้อตอนไหนแล้วตอนนี้คนระเอียดคนฟั่งบอวันนี่คนว่นนี้เอาทั้งลรงซะเดีรยวลองให้เม่ยฟั่งเนียนรลาลองเอ ข้ามือนี่กระไรเนาะขัว่าลองมันจะพืดสมอยันมันฝืดตัวรองค้าข้อมือกัไรตัว้ยลองสั่นไหลมันกระุดท่านันแล้วโยกระบรุดเลยวะขยานมันรุดข้ากันนี้ไปขันเจ้านี้ไปขัก็ไอท่นนวไอมันก็ุดท่านันแล้วรุดอีกสมอรุดยีกเลุดละไกมันแล้วอยู่หันซลว โดยวาสนาพินิสินสิพินนาสั่งผู้สาวขานว น, นวล เอาลับบัดนี้เมืแต่ล่าําทางสันหันลงมาทางลองเหมือนแต่ล่ํำรองแล้วสีลําเกี่ยวเบิ่งกว่าหน้าสิบผีลําจังเห็นกันเธอนึงมาทนั่งเขาของเราจะเห็นเจ้าผู้เดียวบัดเห็นพี่สิเกี่ยวโ ง, งใส่เบ็ดตเล็ดแต่ค่อยฟังเอาเม็ดเบิ่งเดอ้อลุงป่าบัดนี้มาเห็นน้องนวนลละอองสู้พินตั้งแต่ข่าวคนขี่ไปรีมันยุใส หรือนองใดมี่ลูกผัวสมจนวันนมโตขอนอ่อนปาดดังมาหรือนั่งลาป่าผัวมาใหม่หรือเข้าไล่ละถิมนางนองใหยอยู่พ่อยเดือนสามข้อยแต่พี่จากกลับนางไปคนทางคนทิพย์บเถื่อหาลำลองตั้งแต่สานางนองเพิ่มจีขืนไม่ไผ่พอท่านต่อยตองนางนองกับเต้งถิมเดี๋ยวนี้เฮ็ดพึ่งพึ่งท่ายพึ่งอิตูป้าตีโตนอนหน้าสางไงไว้ปัดหนีเสียดา